เพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสักกายทิฐิจะพึงเกิดขึ้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้โดยสดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสักกายทิติสูตรที่หบจบ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 ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงละถึงเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นความพัวพันด้วยสังโยชน์และความยึดมั่นจะพึงเกิดขึ้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สะดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป อภินิเวสสูตรที่8จบ 9. าวทุติยอาอภินิเวสสูตรว่าด้วยความยึดมั่นสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถี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 เพราะอาศัยรูปเพราะยึดมั่นรูปความผัวพันและความหมกมุ่นด้วยสังโยชน์และความยึดมั่นจึงเกิดขึ้นเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะอาศัยวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสังโยชน์และความยึดมั่นจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร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 ไม่มีกิดเอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทุติยอภินิเวสสูตรที่9จบ 10. อานันทสูตรว่าด้วยพระอานน์ เรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเด็กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวรโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิด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 เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราอานนท์อริยสาวกผู้ได้สดบเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อนายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัด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 รวมพระสูตรที่มีนิวรักษ์นี้คือ 1. อชัตตะสูตร 2. อเอตังมะมะสูตร 3. โสอัตตาสูตร 4. โนจเมศสิยาสูตร 5. มิชาทิฏฐิสูตร 6. ส ก, กายทิฏฐิสูตร 7. อัตานุทิฏฐิสูตร 8. อภินิเวสสูตร9 ทุติยะอภินิเวสสูตร 10. อานันทสูตรอุปริปันธาจบปริบูรณ์รวมวักที่มีในอุปริปันธา t นี้คือ 1. อันตวักษ์ 2. ธรรมกติกะวักค์ 3. อวิชาวักสี 4. กุกุลวักห 5. ทิฏฐิวักรวมห้าวักเรียกว่า ปฏิยาปันนาฏคันท่สังยุ์จบสองราธะสังยุ์หนึ่งปฐมวัคหมวดที่หนึ่งหนึ่งมารสูตรว่าด้วยมาน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 เมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณจึงมีมารมีผู้ทาให้ตายหรือมีผู้ตายเพราะฉะนั้นเธอจงเห็นวิญญาณว่าเป็นมารเป็นผู้ทำให้ตายเป็นผู้ตายเป็นโรคเป็นดูดหัวฝีเป็นดูดลูกสอนเป็นของลำบากเป็นเหตุเกิดแห่งของลำบากบุคคลเหล่าใดเห็นวิญญาณนั้นอย่างนี้ บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าย่อมเห็นชอบก็ความเห็นชอบมีประโยชน์อย่างไรพระพุทธเจ้าค่าราธะความเห็นชอบมีประโยชน์ทําให้เบื่อหน่ายก็ความเบื่อหน่ายมีประโยชน์อย่างไรพระพุทธเจ้าค่าความเบื่อหนายมีประโยชน์ทําให้คลายกําหนัดก็ความคลายกําหนัดมีประโยชน์อย่างไรพระพุทธเจ้าค่าความคลายกําหนัดมีประโยชน์ทําให้หลุดพ้น ก็ความหลุดพ้นมีประโยชน์อย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะความหลุดพ้นมีประโยชน์ทําให้นิพพานก้อนิพพานเล่ามีประโยชน์อย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะราทะเธอถามมากเกินไปแล้วเธอไม่อาจกําหนดขอบเขตของปัญหาได้เพราะกุลบุตรย่อมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ที่ยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายมีนิพพานเป็นที่สุด มารสูตรที่หนึ่งจบสองสัตตสูตรว่าด้วยสัตว์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบิบนิกะเศรษฐีเขโกรงสาวัตถี ครั้งนั้นท่านพระราธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสัตวสัตด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนาพระองค์จึงตรัสว่าสัตว์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะบุคคลผู้คล้องติดอยู่ในความพอใจความกาหนัด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 เธอทั้งหลายจงรื้อแยกกระจายออกทำเวทนาให้ยินดีไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นตันหาสัญญาละถึงเธอทั้งหลายจงรื้อแยกกระจายออกทำสังขารให้ยินดีไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสิ้นตันหาเธอทั้งหลายจงรื้อแยกกระจายออกทำวิญญาณให้ยินดีไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นตันหาราธะ ก็ความสิ้นตัญหาจัดเป็นนิพพานสัตสูตรที่สองจบ 3. ภาวะเนติสูตรว่าด้วยกิเลสเป็นเหตุนำไปสู่ภพ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 ปริญเยยยสูตรว่าด้วยทมที่ควรกำหนดรู้เรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราทะก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าราทะเราจักแสดงธทมที่ควรกำหนดรู้ความกำหนดรู้และบุคคลผู้กำหนดรู้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 ได้แก่ท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโตษอย่างนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้กำหนดรู้ปริญเยยยะสูตรที่สจบ 5. สมณะสูตรว่าด้วยสมณะ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับท่านพระราชาผู้นั่งณที่สมควรดังนี้ว่าราชาอุปาทานขันห้าประการนี้อุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรู ป, ปูปารทานขันอุปาทานขันคือรูป 2. เวทนูปารทานขันอุปาทานขันคือเวทนาส สัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขารวิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันหประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้น ก็ไม่ได้รับยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่ได้รับยกย่องว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมอันหนึ่งท่านเหล่านั้นจะทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ราธะส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ชัดคุณโทษ และเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันห้าประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นก็ได้รับยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือได้รับยกย่องว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ สมณะสูตรที่ห้าจบ 6. ทุติยสมณะสูตรว่าด้วยสมณะสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระราธะผู้นั่งณนะที่สมควรดังนี้ว่าราธะอุปาทานขันห้าประการนี้อุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ึรูปูปาทานขันสองเวทนาปาทานขันสามสัญญูปาทานขันสี่สังขารูปาทานขันห้า วิญญาณูปาทานขันธ์ราธะก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันธ์ห้าประการ น, นี้ตามความเป็นจริงและถึงก็จะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ทุติยสมณะสูตรที่6จบ โซตาปันสูตรว่าด้วยพระโสดาบันเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระราธะผู้นั่งณที่สมควรดังนี้ว่าราธะอุปาทานขันหประการนี้อุปาทานขันหประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปูปาทานขันและถึง 5. วิญญาณปาทานขัน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 หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอรหันตสูตรที่8จบ 9. ก้ชันธราคะสูตรว่าด้วยความพอใจและความกำหนัดเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวถี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 ทุติยะฉันทราคะสูตรว่าด้วยความพอใจและความกำหนัดสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระราธะผู้นั่งหน้าที่สมควรดังนี้ว่าราธะเธอจงละความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่น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 รวมพระสูตรที่มีนิวักษ์นี้คือ 1. มารสูตร 2. สัตตสูตร 3. ภวพะเนติสูตร 4. ปริญเยยสูตร 5. สมณะสูตร หทุติยสมณะสูตร 7. โสตปันณะสูตร 8. อาอรหันตสูตร 9. ฉชันทราคะสูตร 10. ทุติยชันทราคะสูตร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 มานเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปเป็นมานเวทนาเป็นมานสัญญาเป็นมานสังขารเป็นมานวิญญาณเป็นมานราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหนายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขาร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 เวทนาเป็นธรรมของมารนสัญญาเป็นธรรมของมารนสังขารเป็นธรรมของมารนวิญญาณเป็นธรรมของมารนราธะอริยสาวกผู้ได้สดาเ็นอยู่อย่างนี้และถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปมาระธรรมสูตรที่สองจบ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 สัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้และถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันนี้จะสูตรที่สจบ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 ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันนี้จะธรรมสูตรที่สี่จบหทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์เรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถีท่านพระราทะนั่งณที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าทุกขทุกขทุกขเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกขสังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึง รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทุกขสูตรที่หจบ